แง่คิดจากหนัง Death n o น e มันก็แค่อาวุธโดยชนละนินบทสนทนาระหว่างนัตุยและป้าพารตีในฐานะที่ป้าเรียนกฎหมายเคยคิดไหมว่าบางครั้งกฎหมายก็ไม่สามารถลงโทษคนผิดได้สมควรกับความผิดของเขาก็มันพูดยากนะอย่าให้ตอบเลยต้องอธิบายกันยาว โถป้าก็คิดมากตอบยากอย่างเนี้ยถึงสอนผู้พิพากษาไม่ได้สักทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกันยะเรื่องสอนผู้พิพากษากับคําถามของน้าเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแค่อยากจะหาเรื่องพูดเข้าเนื้อหาหนังน่ะหนังที่จะเล่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องในศาลหรอไม่เกี่ยวหรอกแค่ใกล้เคียงเท่านั้นอ่ะเรียกว่าเป็นสารเตี้ยที่มีประเด็นน่าสนใจเรื่องหนึ่งดีกว่าเด Not ดเป็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง ที่หากผู้ครอบครองเขียนชื่อใครลงไปคนผู้นั้นจะตายภายใน40วินาทียังอามิไลเด็กหนุ่มนักศึกษากฎหมายผู้กำลังผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมเขาเห็นคนผิดลอยนวลเพราะกฎหมายไม่อาจลงโทษได้น้ำซ้ำคนชั่วนั้นยังลำพองใจไม่สำนึกในความผิดของตนกลับทํากลางแสดงท่าใหญ่โตไม่กลัวใครข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่าอย่างเห็นเป็นของสนุก ไลสรู้สึกเจ็บแค้นผิดหวังจนต้องโยนตำรากฎหมายทิ้งอย่างหมดศรัทธาแต่เท่าว่าสิ่งที่เขาได้มาทดแทนโดยบังเอิญคือเดดโนตสมุดบันทึกที่สามารถใช้ฆ่าคนโดยเพียงแค่คุณรู้จักหน้าและเขียนชื่อจริงของคนนั้นลงไปเขาก็จะตายสมใจคุณภายใน40วินาทีแล้วเดดโนตนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงมันเป็นสมุดของโยมทูที่บังเอิญทาตกไว ไล่เลเก็บมาใช้ประโยชน์พูดเป็นการ์ตูนไปได้ของแบบนั้นนี้ด้วยเหรอแล้วยมมาทู่ที่ไหนเขาพกสมุดบันทึกข้าวคนแบบนี้กันก็หนังเรื่องเนี้ทำมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นจริงๆินี่ป้ารู้ว่าเป็นการ์ตูนก็อย่าสงสัยให้มากความนักเสกสนใจแค่เนื้อหากับสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็พอเอ้าก็ได้แล้วเป็นยังไงต่อยังมิไรทาตัวเป็นผู้พิภากษาและเพชฆาตลงโทษสังหารคนผิดด้วยการใช้ชื่อว่าคิระ เขาตามฆ่าผู้อจชยากรที่ลอยนวลโดยไม่ต้องรับโทษเพราะช่องโหว่ทางกฎหมายคนชั่วคนโกงกินคอร์รัปชันที่ไม่มีใครเอาผิดได้เนื่องจากขาดหลักฐานคนเลวที่พ้นผิดด้วยอำนาจบา ร, รมีเหนือกฎหมายนักโทษต่างๆที่อยู่ในคุกด้วยความผิดที่ไม่น่าให้อภัยเหตุการณ์การตายที่ไม่มีใครรู้สาเหตุเช่นนี้ก่อให้เกิดกระแสสังคมสองด้านทางหนึ่ง ผู้คนชื่นชมยินดีที่มีคีระมาลงโทษคนผิดลงทันคนชั่วแทนกฎหมายบ้านเมืองทําให้อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงหวบหา้ากระแสะอีกด้านจะมองเห็นคิระเป็นฆาตกรสังหารผู้คนอย่างไร้ร่องรอยมือไม่เปื้อนเลือดตั้งตนใช้อํานาจเถื่อนตั้งสาลเตีย้ยพิภากษาโดยไม่สืบสาวว่าคนเหล่านั้นผิดจริงหรือไม่ตํารวจต่างหัวปั่น พยายามสืบหาตัวคิระอย่างคนตาบอดมืด8ดด้านจนกระทั่งได้ร่วมมือกับแอลนักสืบอัจฉริยะที่ไม่ชอบแสดงตัวตนแต่เคยช่วยตำรวจคลี่คลายคดียากๆมามากมายทำให้พอคลาทางหาคิระได้ชัดเจนขึ้นยิ่งแอลกับตำรวจไล่ต้อนสืบหาคิระเข้าใกล้มากเท่าไหร่คิระก็ยิ่งดิ้นรนฆ่าคนมากขึ้นเท่านั้น คราวนี้ยคนที่เขาฆ่าไม่ใช่แค่คนชั่วคนเลวเท่านั้นแต่รวมถึงตำรวจเอฟบที่ติดตามแกะรอยเขาด้วยถึงตรงเนี้ยป้าว่ายังมิไหลหรือเจ้าคีระเนี่ยเป็นคนดีหรือคนเลวเป็นคนที่เห็นผิดือเขาเห็นผิดตั้งแต่เริ่มฆ่าคนแล้วต่อให้คนคนนั้นจะเลวแสนเลวแค่ไหนเขาก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าต่อให้มือไม่เปื้อนเลือดแต่บาปก็เกิดแล้วไม่ใช่ว่าฆ่าคนเลวแล้วไม่ผิด ถ้าคนดีถึงจะผิดสัหน่อยพูดอย่างนี้ป้าคงจะว่าเรื่องพวกนี้ต้องให้กรรมไล่ล่ากดแห่งกรรมทำหน้าที่เองใช่ไหมความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเรายื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เท่ากับเราได้สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเหมือนกันและคนฉลาดที่มีสติดีๆที่ไหนอะจะไปควานหาบาปใส่ตัวแบบนั้นแอวกับคีระประจันหน้าเป็นศัตรูกันอย่างเปิดเผย คิระเริ่มมีวิธีฆ่าคนที่ยับย่นขึ้นเขาสามารถเขียนสาเหตุการตายจัดฉากการตายของผู้คนได้อย่างเป็นธรรมชาติกว่าเดิมส่วนแอลก็สามารถประมวลข้อมูลและใช้ความรู้สึกส่วนตัวจนสามารถแน่ใจว่าคิระคือยางะมิไร ล, ลูกชายของนายตำรวจที่ควบคุมคดีนี้แอลสั่งให้มีการติดตั้งกล้องในบ้านนายตำรวจพ่อของไรเพื่อหาหลักฐานมัดตัวแต่ไล์ก็ใช้ความฉลาด เอาตัวรอดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้สำเร็จถึงตรงนี้ไลท์จึงต้องพยายามวางแผนเข้าร่วมทีมสืบหาคีระของพ่อให้ได้เพื่อจะได้พบแอลและฆ่าเขาให้สำเร็จแผนการของไลท์ถูกวางอย่างชาญฉลาดจัดฉากสร้างสถานการณ์ดูสมจริงน่าเชื่อถือยอมเสียสละกระทั่งชีวิตของแฟนตัวเองเพื่อให้ทุกคนเห็นใจจนในที่สุดเขาก็ได้เข้าร่วมทีมและพบกับแอลสมใจ จบภาคหนึ่งแค่นี้แหละโหอย่างนี้คนดูคาใจแย่เลยแล้วหลังจากคีระเจอกับแอลเรื่องจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอดูภาคสองขี้เกียจ ด, ดูอนะน้าเล่าให้ฟังเลยดีกว่าก่อนจะเล่าต่ออยากถามความเห็นป้าสักหน่อยว่าเจ้ายังะมิไลเนี่ยเป็นคนยังไงนอกจากที่ป้าบอกตอนแรกว่าเป็นคนที่เห็นผิดพูดตามตรงนะเมื่อก่อนอะ่ะป้าก็อยากให้คนชั่วคนเหลวตายหมดโลกเหมือนกัน เหลือแต่คนดีๆไว้โลกจะได้สงบสุขแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ตอนเนี้มองเห็นแล้วว่าใจคนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายในคนคนเดียวกันเนี่ยมีทั้งพระเอกและผู้ร้ายอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นโลกมันเป็นอย่างนี้คนมันก็เป็นอย่างนี้สิ่งที่ไร้ทําในตอนแรกหลายคนอาจชื่นชมว่าเขาทําสิ่งที่ดีพดุงความยุติธรรมช่วยให้โลกปลอดภัยจากคนเลวแต่ไร้ลืมดูใจของเขาไป ในใจของเขายังมีผู้ร้ายอยู่ซึ่งมันไม่สามารถฆ่าได้ด้วยสมุดเดสโนต์ยิ่งพอเขาได้รับอำนาจสั่งเป็นสั่งตายใครก็ได้ผู้ร้ายในใจเขาก็ยิ่งได้รับแรงเสริมถูกอำนาจความหลงครอบงำทำให้เขาถล่ลงไปในบ่วงบาปเกินกว่าจะชักเท้ากลับคืนจนตอนหลังก็ฆ่าได้แม้แต่แฟนตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวเรียก่าเจ้าไลเนี่ยมันเห็นผิดจนกลายเป็นหลงผิด ส, สุดกูเลยว่างั้นเถอะป้าใช่ แล้วภาคสองเป็นยังไงรีบเล่าเร็วๆอยากรู้ไลท์เข้าร่วมทีมสืบหาคิระสมใจได้พบแอลนักสืบอัจฉริยะวัยเดียวกับเขาแต่แอลไม่ยอมเปิดเผยชื่อจริงกับใครทำให้ไลท์ไม่สามารถคาาเขาได้ช่วงเวลานั้นเกิดคิระคนที่สองขึ้นมาซึ่งคิระคนนี้มีดวงตายุมทูดสามารถมองเห็นชื่อจริงของมนุษย์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาสืบหาคีระคนที่สองคือมิสะดาราสาววัยรุ่นที่สูญเสียครอบครัวจากอาชญากรรมคิระเคยช่วยฆ่าคนร้ายให้เธออย่างไม่ตั้งใจทำให้เธอนับถือบูชาคิระเป็นเหมือนเทพเจ้ามิสะได้สมุดเดดโนต์จากย ม, มทูต ท, ที่ช่วยชีวิตเธอและเธอยอมแลกอายุขยครึ่งหนึ่งกับดวงตาย ม, มทูตเพื่อจะได้เห็นชื่อจริงของมนุษย์เพื่อสังหารได้สะดวก หลังจากได้สมุดเล่มนี้มิสะก็กาอกวนให้เกิดการตายอย่างสะเปะสะปะจนกระทั่งได้พบไลท์ดวงตายมมทูตบอกเธอว่าเขาคือคิระตัวจริงทำให้เธอหลงรักและยอมบวาราณาตัวช่วยเหลือเขาในเรื่องที่จะฆ่าแอลมิสะมีโอกาสพบแอลแต่ยังไม่ทันได้บอกชื่อจริงของแอลกับไลท์เธอก็ถูกจับเสก่อนเพราะมีหลักฐานว่าเธออาจเป็นคิระคนที่สอง ไล้วางแผนเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อช่วยมิสะและฆ่าแอลในคราวเดียวกันส่วนแอลก็มีวิธีรับมือไลอ้อย่างแยบยลเด็ดขาดกล้าใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อจับคีระตัวจริงมาลงโทษให้ได้ภาคสองนี่นสนุกเข้มข้นจังอย่างเนี้ยแล้วเรื่องจะจบยังไงอะป้าคิดว่ามันจะจบยังไงล่ะคิดว่าคีระจะตายหรือแอลตายไม่คิดนะ่ะต่อยากให้คนผิดได้รับโทษป้าเป็นผู้พิพากษาเหรอ ถึงจะอยากไปลงโทษเขานะี่ยจะไม่ใช่ป้าไม่มีสิทธิ์ลงโทษใครหรอกแต่คนเรานะ่ะทาเหตุอะไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของเหตุและผลไม่เกี่ยวกับความอยากหรือไม่อยากของใครถ้าไลฟ์เขาคิดหรือเข้าใจได้อย่างที่ป้าพูดนะเขาคงไม่ทําอะไรที่ผิดพลาดอย่างที่ทําไปแล้วหรอกนะขอเพียงคนเราเชื่อมั่นในกรรมวิบากในกฎของเหตุและผลอย่างไม่คลอนแคลนรับรองจะทําให้เห็นผิดหรือหลงผิดได้ยาก นั่นสิและจุดจบ ข, ของไลท์เป็นยังไงอ่ะไลท์ Light, วางแผนยืมมือยมมาทูดบีบให้ค่าแอลโดยใช้สมุดเดดโนตเขามองเห็นแอลเสียชีวิตกับตาจึงเกิดความลำพองใจจากนั้นก็จัดการเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ยอมให้มีใครรู้เรื่องเดดโนตอีกแม้กระทั่งพ่อของเขาเองน่าเสียดายแผนการของไลท์พลาดไปก้าวหนึ่งเพราะแอลยอมใช้ชีวิตตัวเองเข้าแลก โดยชิงเขียนกำหนดวันตายของตัวเองลงในเดดโนตก่อนจึงทำให้การลงชื่อสังหารโดยยมมะทูดไม่เป็นผลน้ำซ้ำยังกระชากหน้ากากของไลท์ออกมาสำเร็จสุดท้ายไลท์ก็ต้องตายลงด้วยเดดโนตจากการเขียนของยมมาทูดผู้ไม่สามารถทนมองดูความชั่วช้าของไลท์ได้อีกต่อไปเรื่องก็จบลงแค่นี้แหละน่าสงสารแอลนะที่ยอมเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกให้กับงานนี้ แต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนกระชากหน้าตาคิระออกมาได้เหมือนกันถ้าป้าได้ดูในหนังนะจะรู้สึกเลยว่าให้แอลเลือกตาอย่างสงบแบบนี้ดีแล้วไม่งั้นนะเขาอาจต้องตายด้วยโรคเบาหวานไม่ก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดเพราะนั่งดูมาสองภาคสี่ชั่วโมงเนี่ยทุกฉากที่แอลออกมาพี่แกต้องมีขนมนมเนยกินอย่างไม่ขาดปาตลอดเวลายังสงสัยอยู่เลยว่ากินของหวานหนักขนาดนี้ทาไมไม่ยักอ้วน อิจฉาละสิตัวเองอะอ้วนเอาอ้วนเอาเอาเถะป้าอย่าพูดเรื่องแสลงใจเลยสรุปว่าจะดูหนังเรื่องนี้มะเดี๋ยวเอาวีซีดีมาให้ยืมก็น้าเล่าสะระเอียดขนาดเนี้ยจะดูทำไมาอีกละ่ะเอาเผื่อจะได้แง่คิดอะไรดีๆเพิ่มเติมอีกงาอย่างผมดูเรื่องนี้จนจบทั้งสองภาคนะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เจ้าเดดโนตน่ะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยมันก็แค่อาวุธอย่างหนึ่งเท่านั้นน่ะถ้าวางเฉยๆมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใคร ที่ร้ายกาจและน่ากลัวจริงๆคือใจของคนที่ใช้มันโดยเฉพาะใจที่ถูกครอบงมด้วยโทสะโมหะอย่างแรงๆนี่แหละมันน่ากลัวที่สุดเพราะต่อให้ไม่มีเดดโนตคนคนนั้นก็ยังสามารถทำอันตรายต่อคนรอบตัวได้อย่างเกินคาดเหมือนกันอืมฟังที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยปาก็เริ่มคิดอะไรดีๆได้บ้างแล้วหละ่ะคิดอะไรได้เหรอป้าคิดว่าป้าจะไปสอบผู้พิพากษาอีกรอบดีไมนะ Just you, just me, just u